ในวันที่ค ร, รนี้คือายการสันสเจนีสนทนาอีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะเรามาพบกับพระเพรบุญอภิปุโนโงงจาวัตปาดรนหายโศกอุดรธานีเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทดสนะค่ะนรสการกระทั่งคะเชมพานค่ะท่านภพรบุญคะวันนี้มีคําถามก็เป็นผู้ปฏิบัตินะคะเชมพานบอกว่ามีแต่ความอึดอัดแน่นหน้า อ, อกอืแมันมีแรงดันขึ้นจนไอระหว่างนั่งสมาธิเมื่อก่อนไม่เคยมีอาการมาก่อน มีแต่ความชุ่มชื่นสว่างสงบเคยใช้ทั้งลมหายใจและคำบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตสภาวะขณะนั้นสามารถทำได้จนคำบริกรรมหายไป ม, มีแต่ลมหายใจที่ละเอียดประณีตเข้ามาแทนที่แต่ด้วยเวลาความเครียดขี้เกียจอะไรหลายอย่างทำให้ศักยภาพตรงนั้นหายไปเป็นปีมาแล้วที่มีแต่ความอึดอัดแน่นหน้าอกจนเกิดการเบื่อหน่ายเวลาปฏิบัติ ยิ่งแก้ไขลองไปทําวิธีน้อยวิธีนี้ดูเหมือนยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเคยฟังซีดีครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่ต้องแก้ให้แค่รู้ว่าเรากําลังรู้สึกเบื่อรู้สึกรําคาญคือให้รู้สึกภาพตามความเป็นจริงของจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นออืแต่ผู้นี้ชื่อท่านชื่อคุณสิสิณนนะคะก็บอกว่าแต่ช่านก็มีความอดทนไม่พอหรือไปจ้องที่พยายามอยู่ก็ไม่ทราบความอึดอัด ร, รําคาญ ก็ลไม่หายไปสักทีหรือสภาวะจิตขณะนั้นไม่พร้อมต่อการปฏิบัติหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็อธิบายมาละเอียดดีนะคะขอคําแนะนําท่านครับอ๋อมีหมายเหตุด้วยนะคะเพราะว่าก่อนนั่งสมาธิตามรูปแบบจะสวดมนต์บทสั้นๆแล้วนั่งสมาธิเลยไม่เดินจงกรมเพราะสภาพพื้นที่ไม่เหมาะกับการเดินแล้วพอเดินก็เวียนศีรษะแต่อาศัยรู้ภายในระหว่างชีวิตประจําวันเช่นเดินอยู่ในสำนักงาน อีกเรื่องหนึ่งคลื่นวิทยุชุมชนรบกวนมากฟังรายการแทบไม่รู้เรื่องเลยอออันนี้ถ้าเผื่อว่าเราเคยทำมาได้แล้วปรากฏว่ามันหายไปอันนี้อาจจะเป็นตัวบอกว่าไอการภาวนาการทำจิตของเราตรงเนี้ยมันลดความสามารถลงเน่งเพราะว่าจากที่เราเคยวางได้เร็วกลายเป็นวางได้ช้าลง จากที่วางเราเราเคยวางได้มากกลายเป็นวางได้น้อยลงนะที่เราเคยคุยกันไปเมื่อสัปดาหก่อนหรือไงเนี่ยนะที่บอกว่ า, าวิธีวัดความก้าวหน้าของการภาวนาใช่มเอาวางด้เร็ววางได้มากนะอาสองอย่างนี้ก็กแสดงว่าก้าวหน้าแต่ถ้าเราถอยลงแสดงว่านี่ถอยแน่นอนถามว่ า, าทําไมถึงถอยไปไดอ้อันนี้ก็ต้องคุยกันว่ า, าคุณไปทำอะไรบ้าง ที่ผ่านมาะจะคบเพื่อนชั่วไหมประมาทในเรื่องของการปฏิบัติหรือเปล่านะหรือว่าไปทําสิ่งที่ไม่ดียังไงคือบางคนเนี่ยไปด่าปริพ a t เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันก็มนะีสิ่งที่เคยได้ก็ลดลงสิ่งที่เคยมีก็เป็นไม่มนะีสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เศร้าหมองไปก็มีนะอันนี้ก็เป็นไปได้อ น, นี้กรณีที่1 เป็นด่าบริภาษเพื่พอนพู้บริอพรอลจารหรือเปล่านะคือทำไม่ดีกับพ่อแม่ไหมนะหรือไปทำกรรมเช่นว่าไปทำบรรทตริยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าฆนะ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพราจานย์ทำศ่งให้แตกกันหรือเปล่านะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดู น, นี่กรณีที่1นึ่งกรณีที่2ก็ที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าถ้าเราปรารบความเพียรจัดเกินไปนะปรารบความเพียรมากเกินไปไอ้ตรงนั้นเนี่ย ทำให้เป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านอันนี้คุณศาสินันเกียรติเองบอกว่าเล่าวิธีนั้นลองวิธีนี้เล่าวิธีน้ตมันก็เริ่มยุ่งล่ละธรรมาจึงคิดว่ า, เ, าเราทําความเพียรมากเกินไปไหมอาจจะเป็นวิธีนี้ก็ได้กรณีนี้ก็ได้ที่ว่าคุณทําความเพียรมากเกินไปทําให้ไอ้จิตที่มันสงบสงบอยู่เนี่ยมันกลายเป็นฟุ้งขึ้นมากรณีนี้เกิดขึ้นกับใครก็เคยเกิดขึ้นกับพระโสดนะก็มีนะเคยเกิดขึ้น กับพระโสณาหรืออีวิสุขอีกห ล, หลายรูปนะพวกที่เป็นต้นบัญญัติของปราชิกทั้งหลายก็ก็เป็นเหมือนกันปราชิกข้อที่ฆ่ามนุษย์เนี่ยนะคือว่าทําความเพียนมากจนกระทั่งจิตใจฟุง้งซ่านแล้วก็เอางั้นให้คนนี้มาฆ่าตัวตายจ้างคนให้ฆ่าเพื่อที่จะเห็นอสุภนะเปิดคิดว่ามันจะดีละกลายเป็นเป็นเรื่องยุ่งไปเรื่องหนึ่งมาอเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้นะแล้วก็กรณีที่3าม เหตุอะไรที่เราสร้างเช่นพระชอบพูดถึงาการที่อยู่เสนาสนะสงัดจะทําให้เราภาวนาดีคุณอยู่ไหมอสองการที่ฟังธรรมคุณได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยหรือเปล่าหรือลดปริมาณการฟังธรรมลงาสามการบริโภคคุณกินอิ่มอยู่ตลอดหรือเปล่าน้ําหนักขึ้นไหมเนี่ยมันก็เกี่ยวเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็ข้อที่สี่นี่คือคือบทที่3ามเนี่ยนะบทที่3เนี่ ย, นะยก็ยังมีถึง การอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายไหมกลายเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้หรือเปล่าอย่างเงี้ย <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นเหตุที่อาจจะทําให้การภาวนาเราลดถอยลงละมีสมหมวดอย่างนี้อันดับแรกคือพูดถึงทํากรรมที่ไม่ดีไหมเช่นไปด่าคนอื่นด่าพระด่าผู้บรรลพ้นพรหมจรรย์ด่าเพื่อนที่ดีๆทําไม่ดีกับพ่อแม่หรือเปล่านี่คือข้อที่1นะึคือทํากรรมที่ไม่ดีเอาไว้มันต้องให้ผลนะส่วนข้อที่2อครั้ง1นะ หมวดที่2ก็คือว่าเราปรารบความเพียรมากเกินไปไหมตัวอย่างเรื่องนี้มีหลายๆอย่างทีเดียวที่ทาให้จิตฟุงงซ่านขึ้นมาได้หรือว่าหมวดที่สามเราสร้างเหตุอย่างการภาวนาที่มันดีๆเนี่ยให้มันหายไปหรือเปล่าอีกประการหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าเวลาที่เราทํเนี่ยเราทาคือพระเช้าเคยบอกว่าอยู่ที่ไหนคบกับใครแ ล, แล้วการภาวนามันแย่ลงเนี่ย ให้เปลี่ยนทีนะ่เราย้ายบ้านหรือเปล่าเราครบกับเพื่อนไม่ดีไหมอย่างเงี้ยนี้เป็นหมวดที่4ี่ที่อาจจะเป็นไปได้ก็ลองต้องแก้ไขตรงนี้ดูสี่อย่างนี่ลองดูค่ะก็น่าที่จะมีคนเป็นลักษณะนี้หลายๆคนเหมือนกันนะคะก็ะได้วิเคราะห์กันตามสุขภาพรลยคะทาาค่านอาจารย์คะมันเกี่ยวไหมคะสูงเราไม่ค่อยสบายก็เลยทำให้เหินห่าง จากการทำสมาธิหรือทำสมาธิแล้วก็มีความรู้สึกนั่งไม่ได้นานอก็อาจจะ เ, เ, เป็นไปได้ทั้งสุขภาพแล้วก็การงานที่มากขึ้นอันนี้ก็จะรวมอยู่ในภาสสะที่ไม่น่าพอใจแล้วพอมีภัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบงานมากขึ้นหรื อ, อสุขภาพแย่ลงลมีตรงนี้เราไม่ได้ระวังมันก็ค่อยกินเนื้อที่ที่เรามารู้ลมหายใจให้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยลดลงไปคอนี่ก็เป็นข้อที่สที่เกิดขึ้นได้ แต่ห ม, ด, หมดที่สี่นะทีนี้ตรงหมายเหตุของคุณชสินานนะคะที่บอกว่าก็จะสวดมนต์แบบสั้นๆอืมแล้วนั่งสมาธิเลยไม่ได้เดินจงกรมอาศัยพื้นที่ไม่ไม่เหมาะแล้วก็เดินกเวนศรีษะอย่างเงี้ยทําได้ไหมคะทําได้ทําไ ด, ไ ด, ได้การสวดมนต์นี่ก็จะอทําให้เมีย น, นิสงนะแต่เมียนิสงมันจะไม่เกี่ยวกับการนั่งสมาการทำให้จิตสงบเท่าไหร่อันนิสงของการสวดมนต์เนี่ย ถ้าเราสวดมนต์แล้วอจะทําให้ถ้าเรามีปีติสุกเกิดขึ้นอันนี้จะทําให้จิตตั้งมั่นได้ <Okay. S 1> ถ้าถ้าเรามีปีติสุกเกิดขึ้นต่อมาอยากจะแนะนำมีอย่างนึ่งอาจจะให้แผ่เมตตาก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าการเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยจะทำให้จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ ว, ร ว, รวอันนี้ก็เคยเห็นั น, นิีสงส์อยู่ mm. อคือเราทําก่อนเลยทําไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเขาไปทํานิยมไปทําหลังจากการานั่งสมาธิแล้วเราทํามันก่อนเลย ทำก่อนเลยแผ่ไม่ตาก่อนเลยนะแล้วก็เพื่อจะได้อันนี้สงที่ทําให้สิตธของเราตั้งมั่นได้รวดเร็วก็ได้ค่ะแล้วถ้ายัางไม่สวดเลยท่าคะไม่สวดเลยก็ <พอ S 2> ทําได้อ๋อได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะที่หมายเหตุสุดทา้ายที่บอกขึ้นวิทยุชุมชนอาจไม่ได้เป็นการลบปวนติด <c oughs> ของเราแน่นอนคืออันนี้เป็นปัญหาของทุกคนน ะ, นะคะออื <c oughs> เ, เดี๋ยวนี้คลื่นวิทยุชุมชนมีมากแล้วก็ควบคุมได้ลำบากดังนั้นพวกวิทยุกระแสะหลักแต่เดินเนี่ยก็จะต้องพยายามดิ้นรนด้วยหนทางอื่นบางที่ก็เลยจะเอาไปขึ้นอินเทนอร์เน็ตนะคะสำหรับที่จะให้ทั้งหลายนีได้เปิดดูอีกทางหนึ่งกับอีกอย่างถ้าอยู่ในกรุงเทพดิฉันไม่รู้มันเกี่ยวกันเป่าคะท่านที่ว่ากรุงเทพมีตึกสูงๆเยอะมาก อย่างถ้าโทรทัศน์เนี่ยจะเห็นชัดมากว่ามันจะรับชัดได้น้อยลงอ๋ออันนี้แน่นอนคิดว่าแน่นอนเลยค่ะเขาก็เลยต้องใช้วิธีเช่นเดียวกันนะคะบางคนก็เลยเปลี่ยนไปรับโดยตรงจากดาวเทีย ม, มก็จะชัดเจนมากขึ้นอถือว่าเราพูดเป็นนี้ทางสถานีช่วยกรุณาฟังด้วยเผื่อว่าท่านจะไปเร่งกําลังส่งของท่านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ที่ฉันกล่าบเรียนเลยว่าอันนี้เป็นปัญหาของสถานีทุกสถานีคะ่ะ อก็เราก็เลยมีทางเลือกให้อีกทางหนึ่งคือฟังย้อนหลังทางออนไลน์ได้นะค่ะที่ของท่านพิมพบูลใช่ไหมคะเว็บไซต์พิมพ m ธรรมะ ค, มค่ะอตอนนี้ดิฉันก็ไม่ค่อยได้เปิดเข้าไปเลยท่านะะเนี่ยมีอะไรพัฒนาไปกว่าเดิมไหมคะก็เ<า>ดนนี้ก็มี podcast ใช่ไหมที่เรามีอยู่เป็นประจำเ<า>ปิดตามที่ถูกปิดผ้าออนไลน์แล้วก็มีเขาเรียกว่าธรรมะ cast ลักษณะของวิดีโอบ้างอะไรบ้างที่มาทำให้ดูค่ะออคือเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็จะขึ้นให้เราเข้าหาง่ายๆอย่างบางที่เขาก็ทำเป็นแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดลงมาเลยอืมใช่ๆน่า <S <S สนใจเหมือนกันแล้วดิฉันเข้าใจว่าโลกสมัยนี้เรื่องของการจะใช้เทคโนโลยีด้วยวิธีการลักษณะนี้นี่มันเกิดขึ้นทั่วไปหมดทุกเรื่องนะคะ ในการที่ฉันได้ไปร่วมเรียนหนังสืออยู่หลักสูตรหนึ่งเขาก็จะให้เราเนี่ยคะ่ะได้ดาวน์โหลดในลักษณะทํานองแอปพลิเคชันในการที่เราจะเข้าไปถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรได้เลยเช่นเดียวกับเรื่องของน้ำ à, ที่ตอนนี้เรามีเว็บไซต์สำหรับให้ตรวจสภาพของน้ำที่ชื่อ waterforthai.com ก็เขียนแบบภาษาอังกฤษธรรมดา water w a t e r f o r t h a i. o t c o g o นะคะขอภาย g o. t h หรือถ้าเป็นแอปพลิเคชันนะคะถ้าอาจารย์เผื่อถ้าอาจารย์จะนำไปใช้ประโยชน์บ้างมันจะเห็นสภาพของประตูน้ำต่างๆจะมีรายละเอียดเยอะเลยค่ะอ่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า water แล้วก็เลข4ที่เราจะออกเสียงฟอนเนี่ยนะคะ หรือโฟเนี่ยค่ะพอร์เเล็กสี่แล้วก็ไทยก็จะดาวน์โหลดได้ฟรีไมันน่าจะมีแอปพลิเคชันที่มาช่วยดูจิตเราด้วยเหมือนกันนะใช่ค่ะดิฉันเห็นอย่างอย่างว่านาประพวงนี่มีแอปพลิเคชันสำหรับเข้าไปที่วัดแล้วนะคะหน่อยเราก็จะเจอวัดดอนวัดป่าดอนหายโศกและวัดอื่นๆอยู่บนหน้าจอแบบว่าคุณเอามือติดลงไปแตะลงไปใช่ไมตรวดูว่าวันนี้อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลง หรือว่าเราจะต้องทำอะไรเพิ่มถ้าวันนี้น้อยล ง, ไ ง, ไงนะอย่างงี้นะเข้าใจครับพูดถึงถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ท่านกำลังพูดเอาเทคโนโลยีเข้าไปจับใช้แบบทัชเข้าไปปุ๊บรู้เลยแต่ที่เข้าใจว่าเรื่องจิตเองเราเคยพูดก่อนหน้าวันนี้วันสองวันเองนะคะว่ามีความรวดเร็วว่องไวแล้วก็ถ้าพูดปฏิบัติไปนานๆเนี่ย สามารถทำในลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เลยไหมคะแต่ปุ๊บรูปละรูปรปัป๊บอันนี้มันก็ความสามารถส่วนบุคคลสามารถมีได้นี่ผู้รู้เช่ายืนยันไว้เลยไม่ใช่แค่ต้องแต่ด้วยนะเอาแค่มองไม่ต้องมองด้วยแค่กําหนดรู้เฉยเจะห่างไกลกันมากอย่างพระรู้เชาอยู่เมืองนี้พระหมามกคนนอยู่อีกเมืองนึง่งพระรู้เชายังทราบว่าท่านพระหมาหมกแล้วนะตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มี ต้องอมีความโงกง่วงอยู่แล้วก็ไปช่วยแก้ปัญหานี้ให้อย่างเงี้ยซึ่งตรงกันข้าม ข, ของคุณาศาสีนันนะคุณาศาสีนั้นนี้ฟุง้งซ่านใช่ไหมเพราะว่าอาจจะปลา ร, รบความเพียรมากเกินไปส่วนท่านปาหมาบมอคลานี่เข้าสมาธิมากนะจึงทําให้ใมีความง่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ยังทราบได้ทีนี้มันมันถ้าถ้าพอคุณโยมติวพูดถึงเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยนะเราต้องทราบตรงนี้นิดนึงว่าจะไฮไลท์เรื่องนี้ก็คือว่า เหตุของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยคือเขาใช้อ ย, อย่างอยู่ในโหมดของอรูปประธาต์อยูนะ่คือรูปคืออะไรธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมนะมั น, ะมนก็จะมีความละเอียดที่น้อยกว่าจิตของเรานะรเราจึงไม่สามารถใช้พวกรูปประธาต์พวกเนี้ยมารู้สภาวะจิตได้เพราะว่าความละเอียดมันน้อยคใช่ไหมคือหมายความว่าเราจะอของห ย, ยาบๆเนี่ยไปตรวจของละเอียดเนี่ยมันไม่ได้นะค่ะ เพะนั้นเหตุที่จะมาตรวจสภาพจิตได้เนี่ยก็จะต้องเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดเสมอกันนะผู้ชายจึงยกเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนะ่ซึ่งเป็นคุณธรรมในจิตนะศีล ส, สมาธิปัญญาคุณมีคุณธรรมในจิตอย่างนี้ศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วนะผลจะเกิดอะไรขึ้นนะหนึ่งในปัญญานั้นคือการที่คุณจะมีความสามารถในการที่จะไปตรวจด้วยสภาพวจิตตรงนี้ได้นะค่ ะ, ะแล้วก็ต้องระวังเรื่องเหมือนกับ ไอมายากลต่างๆที่เขาสามารถทายใจได้มายากลต่างๆที่สามารถเหมือนกับคุณยมติ๋วจับไพ่ขึ้นมาใบหนึ่งแล้วถ้าคนเป็นมายากลเนี่ยเขาจับจับดูสลับไพ่ถามนั่นนี่นิดนึงเขาจะรู้ละคุณยมติ๋วเลือกไพ่เบืออะไรอ น, นี่คือมายากลนะไม่ใช่ความสามารถด้านศีลสมาธิปัญญานะออคือมัอนกับว่าไม่ใช่ความสามารถพิเศษในลักษณะที่ทางด้านจิตอ่า อันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยคือเพราะเป็นลักษณะของ เ, อเรื่องสัญญาเรื่องความจําเรื่องความหมายรู้ใช่ไหมก็ละเอียดขึ้นมากกว่าทางนั้นรูปธาตุนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นจิตนะนะเราพูดถึงกันอเป็นความ<น>สามารถที่เขาฝึกเขาเรียนรู้ทําจนชํานาญแล้วเขาก็เลยทําได้เหมือนกับเป็นสิ่งที่พิเศษที่มนุษย์ทั่วไปธรรมดาทําไม่ได้ได้ค่ะแต่ว่าบางคนก็ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ เรียกง่ายๆหมอดูเนี่ย น, นะคะท่านบางคนก็เลย เ, เวลาจะมาเล่าสู่กันเรื่องการไปทำนายแล้วแม่นยำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องยกตัวอย่างโอ้โหแม่นนนเนี่ยขนาดนะยังไม่ทันไรเลยเห็นหน้าปุ๊บไม่บอกท่านเลยเลขประจำตัวประชาชนหมายเลขสุดท้ายเบื่ออะไรสมมตินี้นะคะ อ, อันนี้อธิบายได้อย่างไรคะต่างจากเมื่อสักครู่นี้ไหมคะ อั น, นต่างจากเล่นกลไหมคะคืออันนี้ก็ไม่แน่คือหมายว่าหมอดูเขาอาจจะมีความสามารถนี้ก็ได้จริงๆอันนะหรือมันก็จะมีวิชาที่เรียกมานิกากของพวกฤาษี ต, ต่างๆวันทีเขาก็สามารถทราบได้แต่วิชาพวกนั้นไม่ได้ปรารบเหตุจากศีลสมาธิปัญญาต้องพระบึงคะแล้วการปรารบเหตุจากศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเรา ย, ยอมรับกันมากว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอ น, นเนี่ยสุดยอดแล้ว ม, มีประโยชน์ทุกอย่างค่ะ ผู้ที่กําลังนั่งฟังอยู่นี่ก็มีความรู้สึกว่ า, าก็ปฏิบัติมานานแล้วนะถ้าจะขอวิชาพวกนี้บ้างมันอยู่ตรงไหนของศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะอนุญาตให้ทําได้อย่างไรคะ่ะคิดว่าเรามาพูดรายละเอียดตรงนี้พรุ่งนี้ก็ได้ เ, เกีเ่ยวเพราะมีรายละเอียดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะค่ะแต่ ว, ว่าเวลาใกล้จะหม ด, หมดแล้วก็ <c oughs> ว <c oughs> ต้องนมัส ก, การขอบคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ อย่างนอยได้ทำให้คนที่ปฏิบัติแล้วติดขัดอยู่อาจจะมีปัญหาแบบคุณศศินันเนี่ยนะคะได้รับทราบว่าอ๋อไอ้ที่เราฟุ้งซ่านอยู่นี่เราจะต้องแก้อย่างไรแล้วมีเหตุอย่างไรน่าคิดนะคะทั้งอว่าไปพูดไม่ดีไปด่าคนที่มีคุณธรรมสูงกว่าเรานะคะหรือว่าทําความเพี้ยนมากเกินไปใช่กับเหตุอื่นๆเราไปปรับแก้กันก็นแล้วกันนะคะวันนี้กลับไปนิสการท่านคะ่ะ ันฝั่งขาะนั่นก็นคือพระเพรบุญพิบุญโ น, โ, นโนนะคะวัดปาร์ดอนไฮโซดอนธานีที่นั่นกําลังจะมีการทอดกรถิ่นวันที่สิเดือน11จํา ง, ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็จะไปร่วมกันก็นกนไปเนินๆเพราะว่าตรงกับวันที่อยู่แล้วส่วนรายละเอียดนั้นท่านขอที่ที่022690006คะ่ะรายการนี้สรนสีิสนทนาดําเนินรายการโดยสันสนิหน้าคงนะคะลาท่านฟังที่เคารพทุกท่านในวันนี้ไปก่อนคะ่ะคุทั่วสวัสดีคะ่ะ